กุโทวะสวัสดีค่ะท่าน FM 106 ค่ะแล้วก็เป็นรายการที่ได้ กระทําสึกการค่ะท่านธมุนคะค่ะท่านธมุนคะเอ่อดิฉันตอนที่ศึกษาธรรมเนี่ยอืมเข้าใจว่าถ้าเป็นคนทั่วไป ทุกเรื่องอย่างนี้เรื่องถูกมั้ยคะใช่ๆนะคะดิฉันจะหลายๆคนเป็นเสนอแล้วก็จะหาพวก เกิดทีนี้ก็จะมีผลติดตามมาทางออนไลน์ทีนี้ก็จะมีคือไลฟ์กลุ่มมากจากที่เคยเป็นเพื่อนรักหรืออ่าตัวของดิฉันก็ ยอมไม่อยากรู้อืมเพราะว่าเราไม่อยากที่จะผิดพ้องมองใจแต่มันสบายอืมคือมันว่างมัน พุทธวจนะของพระศาสดามาอธิบายได้มั้ยคะเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องของธรรมะเนี่ยก็<ใช> ในจากประสบการณ์คุณโยมติ๋วที่พูดถึงว่าเอ่อธรรมะเอ่อเวลาที่เราไปรับรู้สิ่งภายนอกนะมันก็เราจะหวั่นไหวไปตามสิ่งภายนอกนะอันนี้คือธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าผัสสะนะคือถ้าจิตเรารับรู้ผัสสะพวกเนี่ยนะคือผัสสะนี่มันมาช่องทางไหนนะช่องทางที่มันจะไหลเข้ามาคือทางอินทรีย์ในอินทรีย์มีอะไรบ้างในอินทรีย์คือตาเช่นว่าถ้า เราจะเอาตาไปดูอาหารเพื่อที่จะรู้ว่ารสเค็มรสอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องลิ้นนะลิ้นจึงเป็น ตามอารมณ์นั้นถ้าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเราก็จะทุกข์มากเลยถ้าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่เรา 1 นะจังหวะ นะเนี่ยถ้าเราถ้ามีสติคอยกันอยู่อันนี้จะช่วยได้เครื่องป้องกันนะ ด้านขวาเนี่ยมันมีไอ้เจ้าผัสสะมากระทบนั้นค่ะตรงนี้นะนี่คือขั้น can don't eat not โอเคครับครับซึ่งซึ่งในกรณีเนี้ยเห็น อันนี้ค่ะอืมนะคะท่านฟังดิชั้นคิดว่าอันเนี้ยเป็นประโยชน์กับพวกเราๆกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะ ที่เป็นการเอ่อไม่ใช่เป็นเรื่องการอธิบายกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะแต่มันเหมือน มันก็จะวนไปไปตามตามการที่ว่าอะไรนะตรงนั้นใช่ ได้สะท้อนความคิดเห็นกลับไปๆที่เมื่อก่อนเนี่ยอืมอ่าสุดท้ายแก้แก้ ไม่ถึงพอใช่มั้ยคะเยียนปานก็ใช้วิธีว่าปิดผัดซึ่งอ่ามันจะเป็นข่าวใช่เอ่อ คำภาษาทั่วๆไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนั่งกินข้าวคือเรื่องมีน้ําข้างขวาก็มีน้ําข้างซ้ายข้างบนข้างหน้ามีน้ําหมด นะคือมันถูกถูกเค้าเรียกว่าตัณหาแทงอยู่คือลึกสอนคือตัณหาแทงอยู่เช่นอันนี้ มันเปลี่ยนไปจากที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บผิดของมันคืออวิชชาเนี่ยอ่าเรายึดติดใน อ่าสมมุติเราอ่าถูกข้อมูลที่มันไม่ไม่ใช่แบบที่ พอเราไปวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของเขาหรือพฤติกรรมของเขาอ่าเป็นเรื่องที่ผิดจากสามัญสำนึก แสดงว่าเค้าเรื่องนั้นเค้าก็ยึดติดเหมือนกันอย่างความยึด 1 ององ าร, ปป าน, นะ, าย, นะ, าน, นะ าร, 2 ยึดถือในเรื่องของกามเค้าเรียกกามุปาทานนะคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็ 3 คือเรียกว่า 4 ก็คืออัตวา 4 อย่างเพราะ ในบรรดา 4 ประเภทของการยึดมั่นถูกต้องนะคะก็อยากจะให้ท่านว่าบางทีถึงก็ เวลาหมดพอดีเดี๋ยวคงจะต้องรบกวนสนทนากับท่านใหม่ในเรื่องเดียวกันนี้ในวันพรุ่งนี้ว่าอาจจะมีแง่มุมที่ท่านอยากจะแต่ดิฉันคิดว่าถ้า จะคลายจากที่เป็นทุกเป็นโทษจากที่เป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยมากลายเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เราก็อยาก